ลุน้นเชสเพราะได้ได้เฉยๆไปประพฤติผิดในกามได้อย่างนี้ก็เห็นว่าดีอย่างเนี้ยเพราะการประพฤติในทางการมมันมวนมันสนุกในทางโลกหรือเห็นว่าการประพฤติในทางกามเ ป, เป็นของดีอย่างเนี้ยเอทั้งที่มันไม่ไดีผิดศีลด้วยก็การเม้นั่นน่ะก็อาภพนั่นน่ะแต่ยังเห็นเป็นของดีเนี่ยมาเห็นเป็นของดีอย่างนั้นเลยทีนเนี่ยก็เรียกว่ามันเห็นผิดจากหลักของศีลเห็นไม่ตรงตอหลักของศีลเออ ก็ต้องไปทําอย่างนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นอดการพูดปดดีอย่างเนี้ยพูดปดมันไม่ดีผิดหลักของศีลด้วยก็เห็นเราไปของดีพูดปดขี้ดุหลอกลวงเขาของเงินทองเขาได้โอ้โหเดียวดีใหญ่นั่นแหละเขาไปจูเอมก็ได้ด้เงินเนี่ยนั่นแหละจูเอาเอาบัได้ก็ได้ของเนี่ยพูดปดหลอกลวงเขาโอ้ยล่ํารวยเออข้าขายปดเขาหลอกลวงเขาขี้ดุเขาได้มาแต่กําไรเหมืองมากโอ้ดีนี่ แต่ไม่ได้พิจารณาถึงหลักของศีลบอกว่าผิดหลักของศีลไหมถ้าผิดหลักของศีลจะเป็นบาปไหมเอนี่ยไทยครับบาบาปเป็นของดีเห็นว่าการพูดปดเป็นของดีแล้วคนนั้นละกันพูดป ด, ดไม่ได้พูดปดเป็นคำชั่วกำไม่ดีที่เราเรย้อนกลับมาดูที่ถ้าเขามาปดเอาเขาของเงินทอเราเป็นอย่างไรชอบไหมมีทำไมเขาก็มาปดเอามดอ่ามาจิตลุกเราล้มมดดีไหมถ้าย้อนกลับเขาม่เองเราประเทนง่ายๆอันนี้ตรอดปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเอง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 ก็เห็นว่าเป็นของดีนั่นมันตรงไหมของไม่ดีเห็นว่าดีอพูดซอเซียจองเขาให้แตกเล่าจากกันอย่างเนี้ยมันไม่ดีก็เห็นว่าเป็นของดียังทําอยู่พูดดูเนี้ยพูดเฟื่องเฟ้อเรื่อยๆสลาบประโยชน์อย่างเนี้ยเป็นของไม่ดีก็เห็นว่าเป็นของดียัพูดอยู่ทาอยู่อย่างเนี้ยอพูดคำหยาบคายไรกาดมีดาต่างๆอย่างเนี้ยอ่ามันเป็นของไม่ดีก็เห็นว่าเป็นของดียัพูดดูอย่างเนี้ยอันนี้จะเรียกว่าเห็นตรงไหมตรงเนี่ย อต้องให้เห็นตรงถูกต้องกามความปจริงสิ่งใดเป็นว่าจีทุตจริตก็ต้องเห็นว่าเป็นว่าจีทุตจริตมันเป็นบาปุกุศลนะไปเหตเกิดผลเรื่องความทุกข์แก่ตนเองเระบุคคกคลผู้อื่นเออเราเลิกละเสียพูดตรงกรันข้ามอืว่าจีสุตจริตตรงกันข้ามอย่างเนี้ยอมีความเห็นตรงอย่างเนี้ยเมื่อเราทําาอ่น่นาถูกต้องตามหลักของว่าจีทุตว่าจีสุตจริตทีนี้บุญกุศลมันก็เกิดขึ้น ถ้าว่าเห็นว่าจิตทุจริตเป็นดีอยู่พอใจในการทําอยู่ที่นี่ก็จะอ่าจะต้องได้รับบาปตะกุศล น, นี่เห่อเห็นชั่วเป็นดีผิดหลักของศิลป์อย่างเนี้ยเอาอยัางก็เดี๋ยวเห็นกินเล่าเป็นของดีนั่นถ้าว่าจิ้นเล่ามันไม่ดีผิดศิลข้อสุราะนะั่นน่ะมันผิดศิลมันจะดีอย่างไรผิดศิลป์นันนะ่ะคนที่ไม่มีศิล่ะอ่าไม่มีศิลเป็นเครื่องประดับจะเรียก่เป็นคนพลเมืองดีได้ไหมไม่ได้ช้าจะพูดต้ําหลักของทำเลยหลักของศิลป์ทำเลยไม่ได้ เป็นคนดีไม่ได้คนดีต้องมีศีลเป็นปขังวัดกันไว้อย่างนั้นถ้าไม่มีศีลเราจะเป็นคนดีไป็ได้ไหมไปกินเหล้าเออท่านทัพูดตามหลักมาเล ย, ยการกินเหล้าเป็นคนไม่ดีถ้ากินเข้าไปแล้วมันเมาเออบางทีเมาแบบบ้าเกิดการทะเลาะอีกอดผิดเถียงกันเมามากๆเอ า, เ, อาเกิดอฆ่ากันตีกันยิงกันแทงกันตายบางทีเอ า, า, เอากินเหล้าเมาขับรถไปรถความตาย ไปชนเขาตายนั่นน่ะมันดีไหมนะอย่างนั้นน่ะมันไม่ดีการดื่มจุฬาเป็เกิดความมึนเมาประมาททาให้เสียส ต, ติอารมณ์สั่นไหวนั่นน่ะมันเสียส ต, ติเวลาเมามากๆนั่นน่ะพูดแล้วพูดอีกพูดพังเถอ ะ, อะบางทีก็พูดพลาดผิดไปอหลายอย่างหลายประการเป็นวจีทุจิตริตไปอีกอย่างเนี้นี่ต้องมีความเห็นตรง ถ้าไม่เห็นตรงว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นบาปแล้วก็ส่วนเราเห็นละมันไม่ได้คนเคยกินแล้วก็จะกินอย่างนั้นแหลพะพอาเห็นว่ามันดีกินแล้วมันดีกินเข้ามันล้เอออย่างนี้ยเออถ้ากินหน้าอย่างอื่นมันไม่ล้ําไปกินเข้าวนั่นแหะนะฮะอย่างนี้เออนี่จะต้องเห็นให้ถูกต้องตามกฎจริงถ้าเห็นชั่วเป็นชั่วแล้วที่ะจะได้ถามตนเองเราต้องการไม่พ้มชั่ว ก, ก็ไม่ดีถ้าเราไม่ต้องการอย่าทำดิเมื่อทําก็ต้องเลิกละ เออถ้าเราคืนทําไปอย่างเราเขจะเป็นคนไม่ดีเรื่อยไปนั่นแหละอ่ะเนี่ยเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนทุกศีลเออคําที่ว่าทุกข์กแปลว่าชั่วเราทําชั่วเราดีชั่วนะเนี่ยบางคนติดนิสัยตั้งแต่ว่าเป็นเด็กจนถึงเป็นคนเท่าคนแก่ียวก็หัวกเขาแล้วะกันกินเราไม่ได้เออก็ไม่อายไม่ได้พิจารณาตรวจสองไม่ทําควาเห็นให้ตรงถูกต้องตามควาเป็นจริงว่าการทําอย่างนั้นอ่ะอมันเป็นบาปหรือเป็นบุญ ทั้งที่ตัวเองต้องการบุญแต่ไปทําบาปไปเห็นว่าบาปาเป็นของดีเสียพอใจในการทําแล้วตัวเนี่โอ๋ถิ่นทําคําสอนพระพุทธเจ้านะั้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนของตนได้อย่างไรนี่ความเห็นจากาเห็นผิดจากหลักลของถิ่นเห็นไม่ตรงนะในข้อต่อไปดูเอา้าข้อวิกาลโพวิกาลโพเนี่ยมันห้ามไปกินเข้าแรงทาไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้กินเข้าแลงมันมีโทษ มันมีโทษอย่างไรอถ้าผู้มุ่งหวังการทําสมาธิหรือการเจริญปัญนาหรือผู้มุ่งหวังการบรรเทากิเลสให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปนั่นแหะท่านว่าให้กินน้อยเ อ, ยอให้กินน้อยน้อนน้อยเ น, น, นี่ยในข้อโพชเนมะตันยูตา<ะ>ท่านอยู่ให้รู้จักประมาณในการบริโภค อ, อาหารคือใหญ่มันมากเกินไปหรือใหญ่น้อยเกินไปเอเนี่ยอย่างหนึ่งถ้าว่ากิเลสมันยังมีกําลังกล้าอยู่ก็ให้มันน้อยได้ดีอ่ากิเลสมันจะได้น้อยลงด้วย แต่ว่ากินมากๆกิเลสมันก็มากเอออย่างว่าเอาไปกินสองเทือกสามเทือกดูดิกิเลสมันก็เต็มที่จะไปละมันยังไะแต่เพียงว่าอันตรายของศีลก็ยังละไม่ได้แล้งเออการทําสมาธิดูการเจริญปัญนาดูสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายของสมาธิปัสนามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งมีกําลังแก่กายเก็บเฉียงไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้เพราะอะไรเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ของไปแล้วมรรคตอน้น เนี่ยเมื่อคนเราเห็นว่าการกิเข้าแรงเป็นของดีก็จะต้องพอจะอยู่จาการกินเข้าแรงนั่นเรื่องละไม่ได pues> ้อถ้าไม่ได้กินข้าวแรงกัวเป็นลมกัวเป็นนั่นเป็นนี่เออว่าไปโน่นแต่ไม่กลัวบาปนะความเห็นมันฮเอเห็นมันก็เลี่ยมกันหน่อยเดียวท่านั้นแหละเออเห็นว่าการกินข้าแรงมันดีเห็นว่าการงดเว้นจากการกินข้าแรงไม่ดีนั่นน่ะมันจะเป็นลมเออแต่ไม่กัวบาปไม่พลัวจะเป็นบาปไปกินเข้าแรงนั่นน่ะ เออจะผิดสินข้อวิกาลโพเราเกิดมาเป็นคนควรจะได้สินควรจะมีสินไปเกองประดับควรจะสร้างศีลบารมีของตัวนให้แก้าแข็งแข็งถ้าเราไม่ทำเอาใครจะทําให้เออง่ายนะเบื่ อ, เ, อ, อเราไม่ทํามันก็ไม่ได้นั่นแหละเออเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําไม่ปฏิบัติตามหลักสินทำคำสอนพูดในเจ้าแล้วทีนี้เออเราจะมีสินไปเกองประดับอย่างไรเนี่ยเนี่ยท่านอยพิจารณาให้มันเห็นตรงเอออ่า เ, เพื่อจะได้กลับเพื่อจะได้กลับ ถ้าเห็นว่าการกินข้าวแรงผิดศีลแล้วเนี่เราต้องการมีศีลก็ต้องเลิกละเท่านี้แหละเอออ่าถ้าถ้าเห็นว่าเป็นของดีอยู่ตามใดที่ไหนละไม่ได้เออไปถือมาในการกินทาไมต้องกินเนี่ยกลัวเป็นอย่างนั้นกลัวเป็นอย่างนี้โอ้โห้กินมันลำ้ำกินแล้วนอนรับดีกิกนแล้วก็อ่อนเพียดีงามมีกําลังบางชาแข็งแรงตลอดถึงว่าจนบวชเข้ามาแล้วยันตอกกินข้าวแรงอยู่ดูสิบวชเป็นพระเป็นเนรยันตอกกินข้าวแรงอยู่เอ่าทำไมเป็นอย่างนั้น สินข้อนี้ทําไมไม่ดูไม่พอไหมพิจารณาเมื่อรับมาแล้วสิเนสมาทานมาแล้วสิเราไม่รักษาเิจะเกิดประโยชน์อะไรเราไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้สินไม่มีสินไม่เป็นซูปฏิปโนอ่าจะเป็นคนปฏิบัติดีตามหลักของทิ้นทำเป็นไปไม่ได้อ่าทีนี้พูดถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยเออก็ไม่ว่าจะเพียงว่าเป็นนักบวชอ่าเป็นฆราวาสญาณโยมทําได้ทั้งนั้นเออใครทําำได้คนนักบวชดีทั้นั้นอืมเพราะสิน้ะเป็นข้อปฏิบัติของคนดี เออใครมีสินดีอั่งนั้นถ้าไม่มีสินล่วงละเมิดสินนี่แะเป็นคนไม่ดีอ่เป็นคนเปล่าเป็นคนทุกข์สินอ่นี่นี่ถ้าจะพิจารณาตรวจสองให้เห็นให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมันถึงจะกลับได้เอาเห็นว่าการล้วงละเมิดสินน่ะเป็นของชั่วเขาไม่ดีเห็นว่าการมีสินเป็นของดีเนี่ยมันก็มีความความเห็นเพลิดกันกลับทวกนี้แหละเรื่องการทําความเห็นให้ตรงนั่นนะเออการทำความเห็นให้ตรงเห็นว่าการล่วงละเมิดสินน่ะเป็นต่ำ S <S เห็นว่าการกดเบ็นใช่ได้น่ะมันเป็นบุญเออเมื่อเราต้องการบุญก็ต้องทํกากนันกดเบ็นเลิกละเราทาได้เป็นเนืองนิดที่ เ, เราก็ได้บุญเป็นเนืองนิดเออแต่ทําทได้เป็นวันๆก็ได้บุญเป็นวันจะทำํำหาเราต้องการบุญทุกวันก็ทํำไปเรื่อยๆทาบุญเพเราให้มันแก่ก้าแข็งแข็งเราทําเอานะใครทําให้ไม่ได้เราต้องทํานี่ยเออในข้อต่อไปโดสตเนี้เอาถ้าเห็นว่าการดูการฟังฝรังเขาล่องเขาประโคมดนตีดีสีตีเป่าเป็นของดี คิดว่ามันม้วนคิดว่ามันสนุกเป็นของเถื่อนละเรื่งบันเทิงเออถ้าให้คิตใจนั่นนะเออชุ่มชื่นเบิกบานเอสนุกสนานดีถ้ามีความเห็นอย่างนั้นเกิดความพอใจในสิ่งนั้นพรเห็นว่าการทำอย่างนั้นมันดีเรื่องละไม่ได้อันนี้เราเห็นปิดจากหลักของถิมไม่ได้เห็นว่าคําที่ว่าข อ, อนดนจทีมาลานั้นห้ามอะไรเออถ้าไม่รู้ ไปฟังฟลอร์ลัมคอลองครับประคมดนตรีที่ตีปเป่าและประดับประดาตกแต่งร่างกายโดยดอกไม้ของหอมกลิ่นหอมทันทักอันนี้เป็นข้อสินที่ในบุคคลที่มีศินสมัคดีเออข้อปฏิบัติดีเมื่อเราต้องการสิ่งดีต้องมีสินถ้าไปร่วงละเมิดสินจะได้สิ่งนี้จะดีได้ไหมถ้าไปเห็นว่าการทำอย่างนั้นมันดีเลยสิ่เนี้เห็นว่าการทำอย่างนั้นมันดีทีนี้เห็นว่าการรักษาสินไม่ดีที่งนี้สินก็ไปไม่ได้สินก็ไม่เจริญแก่กล้าแข็งแกรงขึ้นพราะมีความเห็นไม่ตรงเห็นผิด เป็นผิดจะคว่ำเป็นจริงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นดีใช่นั่นอ่ะอันนี้คนเราติดแ น, น่มันติดแน่นเพราะอะไรคว่ำเป็นเครื่องหลอกลวงจจย่อเยื้อจิตใจอจนว่าจิตใจมีความยินดีติดอยู่ตึงตาแล้วก็ถือมั่นอีกด้วยท่านบอกให้เลือกละเดี๋ละไม่ได้ละจะได้มันม้วนไม่ได้พอมันจะม่วนก็นไม่ได้ฟังมันจะม่วนก็เ น, นี่เสียงกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะไม่ได้พิจารณาเทียบลงในหลักธรรมคาสอนพระพุทเจ้าว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยผิดหลักกองจิตทํำไหม เราต้องการเป็นคนมีสินมีธรรม ang, หไหมต้องการเป็นคนดีหรือต้องการเป็นคนไม่ดีเออเนี oh, raum, features, потому, uh ่ยไม่ได้พิจารณาใครนดยตนเขาตนเองถ้าบได้พิจารณาอย่างนั้นทีเนี่ยท่นก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ได้ก็เรยามีความเห็นผิดเห็นไม่ตรงเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นดีไปเสีแล้วเออก็เลยไปจับมั่นอยู่ในความชั่วก็ไม่ดีละก็ได้เนี่ยความชั่วก็ไม่ดีก็เลยฝังเอออฝังต่อไปถือมั่นในควาชั่วกำไม่ดีจนถึงว่าต้องตายไปต้องไปตกนรก อ, อย่างนี้เพราะอะไรเพราะถือมันในกรรมชั่วกำไม่ดีเลิกละไม่ได้นะั่นในข้อต่อไปเรื่อกประดับประดาตกแต่งร่างกา ย, เ, ยเห็นว่าการประดัประดาตกแต่งร่างกายโดยดอกไม้กลองหอม่ อ, อย้ยงทางมันดีถ้าไม่ได้ประดับประดาไม่ได้ประดับประดามันจะดีไงมันบุ๋สวยมบ่งงามเออถ้าบัวด้เอบัวดีย่องพี่น้องจะดูแฟนเมืองเหนือว่า นั่นแหละแต่ว่าคำที่ว่าเอย่องนั่นนะเออประับประดาตุกแต่งร่างกายนั่นนะอ่ามันจะผิดหลักของศีลทำไหมไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ก็เลยไม่ลูกก็เคยเยอะลูกเคยทําลูกเคยประดับประดาลูกเคยเอ๊ยเค ย, ยอ่องลูกอ่าก็ต้องเอาอย่างนี้เออผมโวงงก็ต้องไปจ้างเขาเอาดัดเข้าเออหน้ามันบมงงามก็ไปจ้างเขาแต่นปากเปนบัแดงก็ซื้อชาติมาทามันหน้าบอกเขาก็ซื้อแป้งมาโทเออย่างเนี้ยออ เครื่องแต่งตัวปรับปรารถาร่างกายต่างๆมันหนานาลิกาบ้างซี่้อยบ้างแว่นตาบ้างอรองเท้าบ้างเอผ้าสีต่างๆเนี่ยเครื่องปรับปรารถาตกแต่งร่างกายเอาร่างกายมันเม็ดกุยเม็ดเข้าเอาน้าหอมน้าอบมาเพาะเขาเออให้มันหอมอย่ามันเหม็นกุยเม็นข้าเนี่ยเวลาไปใกล้คนนั้นคนนี้เออคอยมีกลิ่นหอมอา่าจึงเป็นเครื่องยั่วยวนจิตใจเออเนี่ยให้เกิดความยินดีดึงดูดอ่อย่างนี้ นี่เรี่าการตดี่ยย่องประดาตกแต่งร่างกายเพื่อคโอ้บวดเพื่อต้องการความสวยความงามนี่หมายว่ามุ่งความสวยความงามในด้านเครื่องประดับประดาตกแต่งแต่ไม่มุ่งหวังความสวยความงามในด้านศีลธรรมเออที่เราทําอย่างนี้จะผิดหลักของศีลธรรมไหมผิดหลักของศีลข้อใดไม่ได้พิจารณาเรื่องศีลไม่ได้พิจารณาเรื่องความเห็นั่นเห็นถูกหรือผิดน่ะไม่ไม่ได้พิจารณาก็เลยไม่รู้จักเพเคยเเคยทํำอย่างนี้ไปเยอะอย่างนี้แ่ละ อีป่อเขาก็อย่างนี้ดูแม่เขาเกินยอย่างนี้ดูคนเราก็ได้เขกินเยอะอย่างนี้ทําอย่างนี้ดูเขาก็จะทําอย่างนี้แหละฮะบัวทามันจะเป็นไปงามจะได้ไปสวยจะได้เนี่ยก็เลยไปจับมั่นถือมั้นไม่ได้น้อมไปในหลักของศีลธรรมที่จะเกิดเป็นคนแทนที่จะมีศีลกับไม่มีเพราะอะไรเพราะมีความเห็นไม่ตรงเห็นที่จะหลักของศีลเลยทีเนี้ยก็ไปถือมั่นต้องทําอย่างนั้นนี่เห็นไม่ตรงนี่เราจะพิจารณาว่าการเห็นตรงคือจางไหนเห็นว่าสิงนี้มันผิดหลักขที่ทํากับงดเว้น ก็เป็นตรงกันข้ามนี่ทิ้งธรรมันจริงจะมีขึ้นนี่าทีใ น, นข้อต่อไปเห็นว่าการนอนเสื่อยัดดุสัมฤทธิเป็นดีอันนี้คนเราต้องการความสุขความสบายในเรื่องของร่างกายว่าต้องการกินแล้วก็นอนวุ้นนอ น, น, อนสบายต้องนอนเสื่ อ, อยัดดุลย์นุ่นเลสัมฤทธเวลานอนรับวุน้นดีอบางทีให้นอนไปนอนมาที่จิตดีในสภาพจิตใจการรับการ น, นอนเต็มกระน้องไปในผู้ตรงกันข้าม อ yeah, แต่ไม like, OK, anyway, ่ได้พิจนาโอการนอนม้่วนอนสนุกเนี่ยก็เพียงร่างกายเท่านั้นเองแต่ทางจิตใจของเรานั้น่ะจะเป็นอย่างไรมีคุณธรรมเกิดิ้นเกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจไหมจิตใจเรามีเกตณาวิรัติคิดกดเป็นไหมถ้ามีใจใจมีเกตณาวิรัติคิดกดเป็นสิเนี้ยอ็ในสินข้อนี้ฉันว่าอุจจาเนี่ยเนว่าห้ามอืห้ามให้นอนเสื่อจะด้วยสัมฤทธเพื่อเราจะได้มีสินข้อนี้เกิดขึ้นไปแค่ระดับกายและเป็นแค่ระดับจิตใจของเราอีกด้วย เนี่ยคนเรา e arring, มีสินไปเครื่องประดับมีสินไปที่นอนมีสินไปที่อยู่มีสินไปที่พึ่งมันก็ได้ความสุขอสุกข์ทางใจไม่หาไม่มองหาจีว่าทุกขในทางกายอย่างเดียว<__ <All> ถึงแม้ว่าเราไม่นอนอย่างนั้นทางกายมันก็อาจมีความสุขได้เราจะเปลี่ยนอุบายอย่างอื่นวิธีอย่างอื่นมันก็มีอ่าเนี่ยไม่ผิดหลักของสินทำแต่ความเห็นว่าเอออ่าความเห็นของคนเรามากกว่ยเห็นว่าอย่างนี้มันดีมันม่วนมันสนุกเอพอใจจะทําอย่างนั้นแหละผิดหลักของสินข้อใดไปได้ <_' c Frank> พิจารณาเทียบกัน เนี่ยเขาเลยไม่เห็นเนี่เขาเรียกว่าเห็นเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูกเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นดีก็ถือมากเนี่ยเดี๋ยวความเห็นไม่ตรงเห็นพิจะหลักของถิ่นรักษาชีนิตบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไม่ได้ที่ในข้อต่อไปเดี๋ยวความเห็นเห็นว่าการแสดงครั้งเงินทองเป็นของดีตามธรรมดาโลกเป็นอย่างนั้นเงินทองเนี่ยว่าเป็นของใหญ่ ของใหญ่ในโลกใหญ่ย่างไรปรารถนาสิ่งใดก็ได้สําเร็จตามความประสงค์เมื่อมีเงินมีทองแล้วทีอยากใหญ่อยากโตเป็นเจา้าเป็นนายหรือมัง่งมีทรัพย์สินก็ของเงินทองอย่างอื่นมีเงินแล้วทีเนี้ยเอาจะซื้อทองก็ได้ซื้อแก้วแหวนเพชรพลอยก็ได้เกิดกาซื้อจริงต่างๆอ่าในโลกได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะมีเงินซื้อคนก็ได้ ซื้อรถก็ได้ซื้อเรือ ก, ก็ได้ซื้อเครื่องบินก็ได้ทำเงินก็นั่นอ่ะซื้ออะไรได้ทั้งนั้นนี่คนเราก็เห็นว่าเป็นของดีเอออันนี้ถ้าพูดทั้งแง่โลกก็ดีเยอดีในทางโลกเออโลกเขาต่องการอย่างนั้นมีความสุขมีความสุขอ่าเพราะมีเงินมีทองนั่นแหละที่เดี๋ยวพูดจะว่าแต่เราจะพิจารณาเข้ามาในด้านหลักของศีลธรรมถ้ามีความยินดีติดอยู่ในเงินและทองนั่นอ่ะวิ่งเต้นแสวงหาอเงินและทองนั้นอ่าเราไม่ได้พิจารณาองค์แห่งศีลเนี่ย มันผิดหลักของศีลเออยินดีติดอยู่เออยินดีได้่เงินไหลทองากได้เงินได้ทองที่ลราของศีลไม่ได้แสดงหาศีลเดี๋ยวห้เจ้เงินเออศีลนั่นคืออะไรนั่นไม่ได้พิจารณาทำไมท่านจึงแนะนำสันสอยรักษาศีลเห็นว่าศีลเป็นของไม่ดีแล้วทีนี้เห็นจะว่าการเสหาเงินไทองเป็นของดีแล้วทีนี้เออจิตใจนั้นก็จะรักษาศีลไม่นอ่ก็จะมีความจิตดีในการเสพหาเงินไหลทองนั้นแหละมั่งมีร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เอออย่างเนี้ยจนบางคนดูสิเออมีเท่าไรก็ไม่พออมีเล อ, อยันอยากมีพันมีพันอยากหมื่นหมืนม่นค น, นอยากแสนแสนก็อยากล้านได้เงินอยากเป็นเฮ้ยสิบล้านร้อยล้านนู้นพันล้านนู้นไม่พอเนี่ยที่วิ่งเต็มแสดงหาอเรื่องเงินเรียกถอนนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้นอกก็มาสินนั่นแหะไม่ได้แสดงหาเลยอ่าเมื่อกิจใจตกไปตามนักของความอยากไปสิ่งใดเสียทรียาดิ้นตนอยู่แล้วสิลืมสินใจแล้ว อสินนั่นคืออะไรไม่เห็นไม่เห็นอผู้ที่ว่าเห็นสินตามความเปจริงมีกําลังแจก้าเข็มแข็งอความเห็นตัวเนี้ยเออในสมัยก่อนดูที่เป็นเศรษฐีมหาศาลท่านสลักออกมีภูเขาทองมีคุ้มเงินคุ้มทองคุ้มแก้วมณีเน่ะเออย่างเนี้ยท่านเห็นเออเห็นว่าสินสมาธิปัญญาเป็นมรคคาทางเดินไปสู่ความปวดทุกข์เห็นสินเป็นอดียทรัพย์อืท่านเห็นอย่างนั้นเออท่านก็หลุดละได้เออสลักออกบวช พ, ฤฤพุทธพจน์ผมอาจา ร, รย์จนไหนมันลุกพาหลักตะเกียตขาแต่รกี่ดวงใจเนี่ยอันนี้เพราะอะไรเพราะท่านมีความเห็นตรงต่อสินสินน่ะเป็นมรรคาทาดาเนินไปสู่พลานิพ า, ถานถ้าบุคคลไม่มีศิลแล้วที่ไปไม่ได้ อ, มอืมเนี่ยนี่ท่านยต้องทำกุณไม่เห็นตรงทําเห็นตรงต่อรักของศินรักษาสินไม่ได้คนเราเห็นว่าสินไม่ดีหอลอกรักษาสีนไม่ได้ที่เราจะมองเห็นได้ว่าเออมากมายไก่ฟองเออเหตุใดสินมันไม่ดี เหตการณ์ลงแล้วเปิดนีลเป็นของดีนั si ่นน่ะเขาเลยพอใจทําอยู่ท่านสอนให้เลิกละถอนไปวางละบวระละบไระจับมั่นนั่นน่ะอุปาทานถือมั่นเรียกว่าถือมั่นในกับอันเป็นบาปเพราะเห็นว่าบาปเป็นของดีนั่นน่ะมันไปจากความเห็นตัวเนี้ยเห็นว่าบาปเป็นของดีเออเขาเลยถือมั่นมั่นจนท่านสอนให้เลิกละถอนไปวางละบวระนี่อันนี้ถ่าบอกความเห็นผิดความเห็นผิดเห็นไม่ตรงเห็นไม่ถูกต้องเราพิจารณาเทียบเทียบกันดูสิ เออคนที่เห็นว่าฆ่าสัตว์เป็นของดีก็คนหนึ่เห็นว่าการเลิกละการฆ่าสัตว์เป็นของอ่าของดีอย่างนี้ยข้างนั้นมันจะดีจริงๆข้างนั้มันจะถูกต้องตามความเป็นจริงเออฆ่าสัตว์ดีหรือว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีลองพิจารณาดูสิอันนี้มันดีจริงไม่ฆ่าสัตว์มันดีนะแต่เป็นฆ่าสัตว์มันไม่ดีหรอกเอาให้เราย้อนกลับมาเนี้เอาถ้าว่าฆ่าสัตว์ไม่ดี้เขามาฆ่าเราดูสิดีไหมใครว่าดี เออทย้อนกลับเข้ามาอย่นี้จะเห็นได้ง่ายๆแต่คนเรามักจะไม่ย้อนกลับเข้ามาเห็นว่าการฆ่าสัตว์อื่นได้มันดีฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ข้าหมูฆ่างอกระควอยเออเอามาต้มมาแกงมาปิ้งมาลับมากร่อดีไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาไท้เขามาฆ่าเราดูสิให้เขาฆ่าเราไปลาบดูสิเข้าฆ่าเราปิดแกงดูสิฆ่าให้เขาฆ่าเราไปปิ้งดูสิให้เขาฆ่าเราไปปลอมดูสิมันจะเป็นอย่างไรโอ้ยถ้าทย้อนกลับกข้บไปเห็นว่าไม่ดีเสแล้วเขาจะมาฆ่าเรานั่นแหะ เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอการฆ่าเนี่ยมันไม่ดีไอเขามาฆ่าเราก็ไม่ดีเราไปฆ่าเขาก็ไม่ดีเป็นบาปเป็นกุศลเป็นเห้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่พอใจของสัตว์ทั้งหลายแม่แต่เราก็ไม่พอใจรเราการฆ่าเนี่ยเราไปฆ่าเขาเขาจะพอใจอย่างไรไปฆ่าสัตว์สัตว์มันก็ไม่พอใจเออแต่มันเออมันไม่สามารถที่ว่าจะต่อสู้มนุษย์ได้สัตว์บางจำพวกนั่นนะ่ะเออเนี่ยอย่างปลาอย่างเนี้ย อ่ามันหลบลีกไม่ได้ถ้ามันหลบหลีกได้มันก็ลีกเอ่มันหลบมันหลีกไม่ไ ม, ไม่พ้น่ามันก็จําเป็นเอออ่าคนเราไปบา่นแค่เอาเออตุกเบ็ดเอาใส่สอนเอาใส่ไสอเอาเนี่ยใส่ด่างเอาอย่างเนี้ย อ, อบางคนออกไปฮะเอาไปวิทย์เอาอย่างเนี้ยเออมันหนีไม่ได้เออถ้ามันหนีได้มันก็หนีเออนี่นี่เราพิจารณาตรวจตองท่านโดยใจทาคมเห็นให้สอง ถ้าเห็นตรงว่าการทําอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วที่ก็จะได้เลิกและอย่าทําเลยอการอย่างนั้นทํำกรรมชั่วทำไม่ดีเมื่อเราทํำกรรมชั่วกามีเราจะรับผลชั่วผลไม่ดีอ่ากรรมที่เราทําลงไปนี่บางทีมันอาจจะไม่ผลแรงก้าในปัจจุบันก็าอาจจะผลอนาคตมึงอาจจะแก่กายทำลายขันบุคคลเราต้องไปตกนรกเพราะอะไรเพราะปานาติบาตไปไปตกนรกเพราะปานาติบาตตามประวัตินิทานที่เรียนที่เอาไว้ คนนั้นน่ะเออตายแล้วไปตกตะลกเพราะอะไรฆ่าสัตว์ฆ่างัวตายแล้วไปตกตะลกก็มีฆ่าหมูตายไปตกตะลกก็มีเออฆ่าป้าเนี่ยตายไปตกตะกก็มีอย่างเนี้ยเนี่ยวรื่อการฆ่าสัตว์เพราะของการฆ่าสัตว์ชาบุคคลเป็นสิ้ได้สิเนี่ยเออไม่ฆ่ามีสินคนมีสินเน่ยปรบบากฏว่ามีสินมั่นคงแล้วเบื้องหน้าจะ แ, แต่กายทำไรทันต้องเกิดในสวรรค์ไม่ปรบบากฏว่าไปตกตะล ก, ลกนี่อันนี้เพออราะอาเดสินน่ะเป็นเครื่องนําไปสู่สุขติ สินเป็นของดีสินเป็นบุญเป็นเหตุจะเกิดผลก็ความสุขสั่งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าต่อไปนี่ท่านจะว่าให้ให้พิจารณ า, าความศห็เทียบเทียงกันให้มาเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นชั่วเป็นชั่วเลยทีเนี้ยจะได้ถามเราเห็นบาปเป็นบาปเลยจะได้ถามเราใครเูดทําเราทําใจใครละเราต้องละแต่เราไม่ละก็ไม่มีทางที่จะหลดุด นเนี่ยเนี่ยจิตใจมันจะได้ดกลับตรงกันข้ามจะเดระพฤติปฏิบัติตามหลักของสินทำให้สินบริสุทธิ์ของใสขึ้นเออสินจะได้เป็นตีพึ่งแกตนเองทางปฏิบัติอนาคตทีี่ในความเห็นหลับต่อไปดูสิเนี่ยถ้าเราเห็นว่าสิน่ะเป็นของดีแล้วเนี่ยรักษาสินทำสินได้มีขึ้นมีทางจะทําสมาธิให้เจริญได้เออทําวิปัสสนาให้เจริญได้เออย่างเนี้อ่เพราะสินบริสุทธิ์ของใสขึ้นเอทําสินให้มีขึ้นทางกายทางวาจาทางใจของตอน นี่ในระบต่อไปเนี่เราจะได้พยายามทําสมาธิทําให้กิจใจของเรามันตรงมันซื่อมันตั้งมั่นเป็นสมาธิเออนี่นี่ต้องน้อมนึกถึงอารมณ์กรรมฐานที่พระเจ้าสัาง่งตรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้เราต้องพิจารณาตรวจสองดูอารมณ์กรรมฐานอันใดควรแก่เราหรือยอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราเรื่อยอนาปัณสติกรรมฐานกําหนดลมให้เห็นตรงต่อลมตามความป็จริงเห็นลมเขา้าเห็นลมออกเห็นลมสั่นเห็นลมยาวเห็นลมดีเห็นลมชั่ว ที่ลมยหยาบที่ลมละเอี ย, อยดเออจิตใของเรามันกาหนดรู้อยู่ที่ลมไหมมีสติเรื่องในภายในลมให้แกเขาออกไหมเออถ้าว่าจิตใจของเรามีสติในลึกในลมให้แก่ขาออกรู้ลมให้แกเขาออกอยู่แล้วรู้แน่นี่งอยไปไหนคำนี้วรู้แน่นิ่งจิตใจมันก็ตั้งมันนี่เพราะอะไรเนี่ยจิตใจมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นว่าการทําสมาธิดีทำสมาธิน่ะเป็นบุญเป็นกุศลทําสมาธิเป็นหนทางดําเนินไปสู่เพระนิพพาน อยากมาพูดในเจ้าก็เราทันดําเนินไปแล้วท่านทรงรับรองเอาไปแล้วเนี่ยเมื่อเห็นว่าเป็นของดีนั่นไอ้เด็ เ, เราจะได้พอใจในการทำถ้าเห็นว่ามันไม่ดีแล้วทําไม่ได้เนอบางคนเห็นว่าทําสมาธิไม่ดีกลัวเป็นบ้าเออบางทีโอ้ทาไปทําไปที่เนี่ยกิเลสตัวอื่นมันเกิดขึ้นก็เห็นที่ว่าโอ้ยเราทําสมาธิจิตใจก็ไม่ตั้งมัน่น เดี๋ยวมั่อกล่าวไว้ไปมาเดี๋คิดต้นคิดนี่ จ, นนจิตใจวุ่นวี่วุ่นวายจิตใจไม่ตั้งมั่นไปสมาธิเราทําสมาธิจิตใจไม่ตั้งมัน่นสักทีไปว่ามันไม่ทําสมาธิจริงๆหรือถ้าทําสมาธิจริงๆทําที่ว่าสมาธิก็แปลว่าอะไรแปลว่าความตั้งมั่น ท, ทําจิตใจตั้งมั่นถ้าใจทําสมาธิจริงใจต้องตั้งมั่นนอกจากกมันจะไปทํานิวรนนั่นแหละใจจึงไม่ตั้งมัน่นเออทํานิวรนไม่ตั้งมั่น นี่ทำํำไมจึงว่าไปทำนิวรณ์อย่างนั้นเพราะเห็นว่าการทํำนิวรณ์เป็นของดีเนี่ยเห็นของเห็นของที่ไม่ดีเป็นของดีไปเสียนิวรณ์แปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องกลางกัดนความกำหนัดของจิตนั่นน่ะไปเห็นเครื่องกลางกั้นความกำหนัดของกิตน่ะว่าเป็นของดีก็พอใจทํามันทีเนี่ยเมื่อพอใจทํามาแล้วทีเนี่ยเอาใ้จิตใจตั้งมั่นมันจะเป็นไปได้หรือมื่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะความเห็นไม่ตรงเห็นนิวรณนเป็นดีเห็นสมาธิไม่ดี นั่นนะเดี๋ยวผเห็นไม่ตรงใชแล้วเมื่อเห็นนิวรณ์ดีทีเนี่ยพอใจในการทานิวรณ์นิวรณ์มันมีกําลังแก่กาเก็บแข็งอยู่ภายในดวงจิตดวงใจที่มันก็กางกันความตักมันถ้าเรื่อนิวรณนเครื่องกังกันความตังมั่นของจิตไม่เป็นเอะกคตาลมไม่เป็นเอะกะคาตาจิตไม่เป็นอัปปนาไม่เป็นอัปปนาชานไม่ไม่สามารถจะบรรลุฌานได้เมื่อมีนิวรณ์กางกันแล้วทีนี้มันกางกัน้นไปหมดตลอดถึงว่าจะเป็นเครื่องกังกันกั้นบรรลุวิมุตโนนเป็นลําดับลําดับไป นี่เราจะต้องพิจารณาตรวจปองคำที่ว่านิวรนคืออะไระการมาชั้นทันีวร์เหนว่าต้องเห็นว่าอะไรเป็นกามาชั้นทานีวรทำไมท่านจึว่ากามาชั้นทานีวรเป็นเครื่องตังการความตั้งมัติของจิตกามาชั้นท่าคืออะไรความยินดีความพอใจความยินดียินดีกับอะไร อ่ายากความยินดีในรูกนั่นยินดีในรูปต่างๆก็กางกันความต่างมันของจิตยินดีในเสียงต่างๆก็กางกันความต่างมันของจิตยินดีในกินต่างๆก็กางกันความต่างมันของจิตยินดีในรสต่างๆก็กางกันความต่างมันของจิตยินดีในผงสภาพต่างๆก็กางกันความต่างมันของจิตยินดีในธอารมณ์ธรรมอารมเนี่ยก็เป็นเรื่องอดีตไปบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องปัจจุบันบ้างทีเนี้ความยินดีตรงนั้นมันหลังแล้วไปเรื่องภายนอกนะเนี่ยยินเดียวไปภายนอก ในเรื่องลูกทำนำทำไปภายนอกนั่นแหละอ่ามันก็ส่งจิตไปตามเรื่องนั้นความยดีหลังไหลไปในเรื่องนั้นเพิดเพลินไปในเรื่องนั้นแะ่มันก็เลยกังกันความตั้งมั่นของจิตนะอันนี้แปลว่าการมฉันทะในนี้ว่าฉันทะแปลว่าความพอใจมันพอใจในสิ่งใดก็ยดีกับสิ่งนั้นเอพอใจลูกก็ยดีในลูกพอใจในเวทนาก็ยดีในเวทนาพอใจในสัญญาก็ยดีในสัญญาพอใจในสังขารก็ยิดีในสังขารพอใจในวิญญาณก็ยดีในวิญญาณ เราพอใจในอายุนะผัสสะก็ยินดีอายุชนะผัสสะพอใจเรื่องอดีตก็ยินดีเรื่องอดีตพอใจเรื่องอนาคตก็ยินดีเรื่องอนาคตเออพอใจอ่าเรื่องธรรมอารมณ์ในปัจจุบันแต exactly <jon> like ah <isha> ่ปัจจุบันมันส่งนอกเออส่งนอกปัจจุบันเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยพอใจในคนนั้นยินดีกับคนนั้นพอใจในคนยินดีกับคนนี้พอใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ยินดีกับคนนั้นคนนี้อ่าต่อไปอย่างนั้นเนี่ยมันโศกไปภายนอกทิ่ว่ากรรมแผ่นพั ืมฉันทัก็แกลย ว, ว่าความพอใจเมื่อพอใจสิ่งนก่อนยินดีสิ่งนั้นเมื่อยินดีตึงใจสิ่งนั้นน ะ, ะบางอย่างสำหรับเป็นตะปูตึงใจมันตึงใจอย่างไรตึงใจติดอยู่ในลักษสิ่งนั้นนะเมื่อรักควบยินดีไม่ได้จิตใจก็เลยไม่ตั้งมานเนี่ยะเนี่ยพอจะได้ลูกพอใจในนามควบยินดีมันก็ตึงใจอยู่ลูกทํานามทำไม่สามารถจับตั้งจิตให้เป็นเอกกาตาลมรูล้ลมให้ใจก็ออกอันเดียวเนียเน่ยเป็นหนึ่งได้ นี่ทันตวัตตามมาฉันทะตัมมาฉันทะเนี่ยมาจิตใจมันเห็นว่าโอ้ความยิยนดีนั่นเป็นของดีเออมันเคย ย, ยินดีด้วยเคยหล่าเริงเคยบันเทิงเคยสนุกสนานเคยเพลิดเพลินมาแล้วเนี่ยเออไปละจะเลยลาประด็นเออยินดีนั่นแหละมันจึงม่วนถทำมะได้ยินดีหล่าเริงบันเทิงมันแบบม้วนไม่สนุกเออถ้าไปเห็นอย่างนั้นเนี่ก็เรียกว่าเห็นนั่นน่ะเห็นไม่ตรงเห็นสิ่งที่ที่ไม่ดีเป็นของดีนั่นน่ะ ต้งการใน จ, จิตใจตั้งมั่นจะเป็นไปได้ไหมลองพิจารณาเจตประนุษธนวาธ่าสมาธิเป็นของดีเอ่อหนีวอดไปของไม่ดีอ่านั่นะลองพิจารณาดูให้ทําความเห็นให้มันตรงดูความจิตดีเออความตั้งมัน่นจิตรู้ไแ้เป็นหนึ่งจิตหลงไปเรื่องอื่นเกิดความยินดีเรื่องอื่นนะมันเป็นเครื่องกังกัน นี่ต้องทำความเห็นตรงอ่านิวรันเปเครื่องกั้นการทำความดีเราจะทำความดีคือทำสมาธิในมีกำลังแก่กายแข็งเป็นไปไม่ได้แต่เพียงสมาธิอันเป็นโลกีก็ไปได้ยากแล้วอทีนี้สมาธิอันเป็นโลกุตละดุขาที่อิทมันไปเองไปยากกั้นไปเลยมันกั้นไปเลยอไปไปไม่ถึงไปไม่ได้มันเกิดมันกั้นมันพราะมันคกวมมันขัดขวางเอาไว้นิวรันตัวนี้นี่ัสดงว่าทำความเห็นได้ตรงเดี๋ยวนี้วันเป็นสิ่งจุคนละ เราจะต้องละได้ด้วยการทำสมาธิมีกำลังแก่กายแข็งแข็งต้องพยายามแม้มันยังละไม่ได้ก็ต้องต้องดูคุณทำอันเป็นเครื่องละที่เราละมันไม่ได้เพราะอะไรคุณทำเป็เป็นเครื่องละของเราไม่มีกำลังพออต้องตั้งสติกำหนดทำที่เป็นอารมณ์ของสมาธิให้มีกำลังแก่กายแข็งแข็งมีวิตกวิจารณแหนึกถึงลมวิจาร์ตองพิจ า, ารณ์ลมเพ่งอยู่ในลมให้แก่ออกให้มีกำลังแก่กายแข็งแข็งจนกลัวเราจะรู้รว่าจิตของเรามันรู้แน่นิ่งเป็นหนึ่งในอารมณ์เดียวเป็นเครื่องคาตาลมอย่างตามที่สุดเนี่ยนิว่าไม่นจริงจะระงับไปได้ เนี่ยเมื่อจิตใจมันตั้งมั่นอย่างนั้นแหะทีแนวทางที่มันจะอุดหนุนให้เกิดปัญญาน่ะมันก็จะสว่างไสวต่อไปของจริงที่มีอยู่ก็จะปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนในด้ยปัญญาที่ผุดขึ้นในฐานของสมาธิเนี่ยข้าพิเอยวนี้วนเป็นดีแล้วที่เนี่ยเฮ้ยอยางการทําสมาธิไม่เก่าหนาไม่แก่ก้าเข็มแข็งไม่สามารถจะสําเร็จมรรคผลนิพพานได้เนี่ยท่านจุ๋ยไห่ทำคุณเหตได้ตรงข้าพิเอยวณีวนไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรละเราจะได้พยายามพยายามเลิกละมัน กามาฉันทะความยินดีั้นน่ะพยาบาทความยินไล่ที่นางความทอดแฉออนแอต้อนนีน่ทั้งงงงเฮานอนเออเวลาจะภาวนางวงเฮานอนเออเอาสติตั้งสติเอาไหว้สติตัวนี้เป็เครื่องปลุกเออกําหนดอยู่ในลมทามันงงงเฮานอนมาเราเปลี่ยนถูลมหายใจเข่ายาวออกยาวเข่าสั้นออกสันออกส้นเอเปลี่ยนไปเปลี่นมาเข่าสั้นออกยาวเขา่ายาวออกสั้นเนี่ยเปอุบายปลุกอุบายปลุกให้มันตื่น ใจมันง่นงอห้อนอนกรอบทำเวลาจะทำความดีเวลานอนมีเยอะจ้ะเวลานอนก็นอนให้เต็มที่เวลาจะทำความดีก็เห็มันทําได้จริงๆนี่อย่าให้อนิวรณ์มันไปอตัดรอนเดี๋ยไปให้ความงอห้อนอนมันตัดรอนการทําสมาธิสมาธิจะไม่มีกําลังแจกกายแข็งแข็งนี่อย่าไปเห็นว่าการหลับการนอนเป็นของดีเอเนี่ยใครเห็นว่าเป็นของไม่ดีมันไม่ดีอเลยมันทํำลายความดีนะทำลายสมาธิ ถือว่าการหลับการ น, นอนเป็นของดีจิตใจ น, นไไั่งปในการหลับการ น, นอนยินดีในการหลับการ น, นอนการทำสมาธิไม่มีกําลังแก่ก้าไม่มีกําลังแก่กะาจิตใจก็จะพอไปพอใจในการหลับการ น, นอน